โครงการนี้ไปเป็น 18 มิถุนายน 2545 ที่พุทธสถาน นี่เป็นเรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องสําคัญในเรื่องที่เราจะต้องทําเอกกขตานะจะต้องทําเอกกขตาเอกกขตานี่เอกะแปลว่า 1 ปัจจัยของการขยายเป็นคำนามความอ่าความเป็น 1 มีความรับรู้อยู่ในจิตอ่านอารมณ์ของจิตวิจัยจิตมีปริญญา 3 ได้อยู่เต็มรู้จิตทั้งหมดยาตปริญญารู้ รู้จักแม้แต่เรา เป็นขบวนการกลุ่มอยู่กับชุมชนอยู่ แล้วก็ๆศาสนาพุทธนี่วิธีทําฌานก็คือวิธี สมาธิคือความเห็นที่ถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องเข้าใจทฤษฎีเข้าใจหลักการเข้าใจวิธี 18 ข้อ 254 255 256 ข้อ 254 ก็คือ 255 ก็สกายทิฏฐิ 256 ก็อัตตานุทิฏฐิสูตรซึ่งอาตมาหยิบมาให้พวกเราได้ มีอายตนะ 6 กายตนะนอกอายตนะในทําหูจมูกลิ้นกายใจแล้วในอายตนะนอกคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนอกสัมผัสในอายตนะใน มีสัมผัสทางตาสัมผัส แม้มาอยู่กับสออาตมาพูดจะปากเปียกปากแฉก็ยังนึกว่าปฏิบัติธรรมเค้าอยู่กับตัว สงบแท้ๆนั่นคือมีอะไรคุยมี รู้ตื่นเบิกบานแล้วก็วิจัยได้ด้วยอ่านทันเลยอ๋ออารมณ์เรานี้นิ่งอารมณ์ของเราไม่ผู้แจ้งประจักษ์ผู้ตื่นผู้ แล้วก็สงบงุดๆอยู่ไม่พบกับใครมันก็แท้กระทุ้งไม่มีอะไรปะแกระมาต้องไม่ใช่มีอายตนะ ที่มันจะเป็นเอ่ออนิจจังได้ก็อาตมาก็อธิบายแล้วอธิบายอีกอ่านใจเราออกเลยว่าโอ้ใจเรานี่ แต่สามารถจับให้จิตมันเอ่อทํางานลดหรือวิจัย กิเลสแยกวิเคราะห์กิเลสอ๋อนี่อาการกิเลสมันทุกข์มัน กิเลสลดไม่ได้ลดไม่ได้มันไม่เที่ยงมันมากได้มันไม่เที่ยง อ่าสังโยชน์ 3 ทำงานอยู่อย่างดีนะผลสักกายทิฏฐิผลวิจิกิจฉาผลศีลปตัปรามาทผลศีลผลพรมันไม่มันมันไม่มีผล แต่เราพ้นการปฏิบัติศีลปฏิบัติพรดอย่างมีมรรคมีผลเพียงว่าพ้นศีลปัตตปรามาสกําลังพ้นเอ่อมิจฉาเอ้ยไม่ใช่ ตํอยู่ในสังโยชน์ตํก็มีหมดทุกตัวตั้งที่ 1 นั่นเท่ากับเอามานำเอาไว้ในข้อ 1 เลยซึ่งจริงมันเรียนรู้ด้วยเรียนรู้ความฤทธิ์ถือตัวเองตัว อัตตาที่เราถือดีถือตัวเอาแต่ใจตัวชอบตัวเองอะไรก็เอาแต่ใจ การปฏิบัติฌานของจะ กำจัดปหานกำจัดให้ลดกิเลสทําให้กิเลสลดปริญญา 3 อ่าปริญญาแท้ๆเลยนะปริญญา สังวรแล้วต้องระมัดระวังเสมอการระมัดระวังคอยดูแลใจตัวเองคอยดู ไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกอสังสัคคะไม่ติดสวรรค์ที่จะไปอยู่นิ่งๆดี ไม่เกิดช่องว่างระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ไม่เกิดช่องว่างระหว่างเด็กกันอ่าผู้ใหญ่เด็กประสานกันสมาน ช่องว่างแห่งวัยมันมีมีแต่สัมพันธ์แห่งวัยเอ่อยึดแล้ว นี่มันพลอวยนี่มันคนละพวกคนรุ่นอย่างนี้ไม่เจริญนะฌานไม่แข็งแรงฌานของมิตรกสพระบรมจรรย์เราก็รับผิดชอบแข็งแรงพร้อมนั้น เพ่งเล็งกล้าในอธิศีลอธิจิตอธิปัญญานั่นคือเรามีศีลแล้วแล้วก็อธิจิตสามารถปฏิบัติจิตของเราได้ในขณะ จะทํางานไหนอยู่ผู้ที่ฝึกจริงๆคุณจะคิดเอาเองไม่ฝึกได้แต่ฟังรู้แล้วแต่ไม่ฝึกมันไม่จริงหรอกมันไม่ได้ง่ายๆหรอกจิต เพราะเต็มโอ้โหหลายชั้นเออมา มันอยู่ได้ปิติสุขเอกัสตาเนี่ยเป็นฌานอย่างฌาน 1 นี่มีวิตกวิจารมี มันก็ เราจะต้องอ่านอาการอารมณ์นั้นออกจริงๆแล้วก็ลดสามารถปฏิบัติเพื่อลด อ่าโมหะเนี่ยครบเห็นอยู่เต็มอยู่ครบนั่นแหละคือสมบูรณ์ไม่ผิดไม่เพี้ยนไม่หลงไม่เบลอนั่นคือไม่ไม่ มันสอนฟังดีๆตรงนี้เป็นอจินไตยเป็นฌานเป็นเป็นวิสัยของฌาน 1 มีวิตตกวิจารณ์มีปิติ วิตตกวิจารณ์ที่ 3 เนี่ยยาตปริญญาธีรณะปริญญาปหานปริญญานี่แหละ หน้าที่ของฉานหน้าที่ของวิตกวิจารณ์คือทหารเอกตัวแรกวิตกวิจารณ์ เป็นการดําริที่ดีกุศลลบิจารเป็นพฤติกรรมกุศลจารมีพฤติกรรมที่มันเป็นกุศลของจิตและมัน<ะ> เอาตัวดีเข้าไปแทนไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรม มีฉันทะมีวิริยะมีจิตตะมีวิมังสาแล้วไตร่ตรองตรวจตรามีอิทธิบาทมีอิทธิบาทฤทธิเดชของพุทธเจ้าคือฤทธิเดชใน มีปะหานะปริญญาได้เก่งมีธีรณะปริญญาได้เก่งขึ้นเรื่อยๆๆๆๆนั่นคือ 2 ฌาน 2 คือวิตกวิจารณ์ระงับไม่ได้หมายความว่าไอ้การเพ่งเผานั้นวิจารณ์เนี่ยมันมีหรือไม่ สมาท่านบอกว่าวิจกวิจารณ์ระงับไปวุปัสสมาระงับไปเมื่อมันระงับไปมีหรือไม่มีมีอย่างยิ่งฟังน่ะเหมือนกับภาษา โดยเราฝึกให้มันเก่งเป็นอัตโนมัติ <ia> <c oughs>. รู้นะรู้นะกับเรียกว่าวิตกวิจารณ์ยัง วิตกวิจารณ์การเพ่งเผาได้เก่งขึ้นแต่การเคร่ง ตีมันคอยกำลามันลดลงลดลงลดนั่นคือวิตกวิจารไอ้ลด แต่มันก็เป็นเองมันก็เป็นเองเป็นตัตถตาเป็นได้โดยอัตโนมัติยิ่งเก่งยิ่งเนียนนายิ่งมีประสิทธิภาพสูงภาษา เอ่อสังวรต้องไปอะไรขึ้นไปเอ่อจัดการดูแลกันมันมันชํานาญเนียนในมันเป็นเอง 2 ฌาน 2 ก็มัดระวังลดลงปิติคือได้ดีคือยินดีที่เราทําได้ดีมันยิ่งซ้อนใหญ่เลยปิติเนี่ยมีปิติมั้ย รู้มันเร็วและก็ทําลายมันได้เร็วๆๆๆยิ่งขึ้นยิ่งก็ยิ่งมีปิติสมบูรณ์มากขึ้นแต่กิเลสซ้อนที่ไปฟูใจ ปิติก็รู้แล้วว่ามันลงอุปกิเลสปิติก็ลดลงฟูใจก็ลดลงแต่เรารู้ว่าดีอย่าง มันก็ยิ่งดีขึ้นอาการของจิตที่มีกิเลสก็ยิ่งน้อยลงน้อยลงหรือหมดหมดหมดหมดท่านมีเหตุ มันไม่มีนิพพาน 5 ไม่มีขณะ 1 ไมไมชาน 2 ชาน 3 หรือชาน 4 ก็พยายามเรียนรู้ส่วนเสกทุรีละอองที่มันยังเหลือแฝงเหลือปน หรือปฏิบัติในขณะที่รู้ให้ชัดเลยว่าสัมมาทิฏฐิแล้วก็ไปพยายามไปมีสติสัปปชัญญะ 5 รู้ทั้ง 5 อริยสัจ 4 รู้จักทุกขสมุทัยธรรม 5 หลักนิพพาน 5 อุปาทาน 5 อายตนะ 6 โพชฌงค์ 7 อริยสัจ 4 ก็รู้ให้ชัดนี่ 7 มีครบมั้ย สติเฉยนิ่งเฉยไม่ใช่สติที่กําลังทํางานอย่างมีติรณะครบทั้งสติปัฏฐาน 4 สมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 สั่งสมให้เกิดอินทรีย์ 5 เกิด 5 อยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นหรือไม่ถ้าอย่างนั้นเรียกว่าเป็น มีธรรมวิจัยมีวิจัยอยู่เลยวิจัยนอกวิจัยในวิจัยกรรมกิริยาข้างนอกกรรมกิริยาข้างไม่ฝึกมันจะ กับกลุ่มหมู่เพราะเค้ามีผู้นําฝึกแข็งแรงและก็ลุย อ่าแต่ทําไมเอ่อปฐมโสกสติยโสไม่แข็ง ปฏิบัติกันด้วยสัมพันธ์ด้วย อ่ะครูต้องควบคุมอย่าให้มีอารมณ์เนี่ยตอนนี้อ่าโทสะแฟ้ม มันมันมันมันหลงมีอะไรหรอกข้าว อ่านั่นอันดูนั่นดูนี้ไม่เกี่ยวไม่สัมผัสไม่ 6 ก็มีมีอายตนะมีธัมมารมณ์อันเดียวตาเป็นไงก็ดูที่ฉันอยากคนไม่มีศัตรู มันก็ง่ายๆมันก็สบายๆมันก็สมถะมันติดเพราะมันง่ายคนเรามักง่ายติดง่ายๆต้องพยายามถ้าจะติด มีแต่มาให้แต่มาให้นี่ยากมากับเกี่ยวข้องสัมผัสนี่แหละนะเพราะฉะนั้นการ พอฟังเข้าใจมั้ยเนี่ยฮะเด็กอ่าเอาอะไรก็ไปเรื่อยๆฟังไปหลายๆปีเดี๋ยวก็ จังใส่ใจโตปฏิบัติเป็นหลักแล้วโตปฏิบัติให้ดูเพราะการถ่ายทอดกันโดยการทําให้ดูๆไปๆสาวๆเป็นนิสิตกันเยอะ ทำงานร่วมกับขบวนการกลุ่มลงมาอยู่กับหมู่นั่นคือนิสิตนิสิตนี่แปลว่าอยู่นิสิตนี่แปลว่าอยู่ไม่ใช่นิสิตแปลว่าหนีนิสิตไม่ได้แปลว่าหนีนิสิตนี่แปลว่าอยู่หรืออาศัยนิสิต การปฏิบัติของเราเนี่ยปฏิบัติอย่างสังคมปฏิบัติอยู่ขบวนการกลุ่มปฏิบัติอยู่กับสังคปะวาจากรรมมันตะกลิ่นแล้วกายสัมผัสไม่รู้แล้วลมพัด <wh ipp ings> อันนั้นของฤาษีอยากจะไปฝึกเวลาไปฝึกวิธีอย่างนั้นก็เค้าไป ถามวิธีจะทําอะไรก็แล้วแต่อาตมาพูดเป็นภาษาเอออันนี้มันลดได้นะมันรู้อยู่แล้วก็มีส่วนที่เรารู้แล้วก็ มันจึงจะชำนาญมันจึงจะมีวัสสีมันถึงจะ ลุยลงมือเกี่ยวข้องกันแล้วก็เอาใจใส่เพราะฉะนั้นพวกเราไม่เต็มที่พวกเราไม่เต็มที่ไม่ลุยไม่พาทําไม่เกี่ยวไม่ ทั้งนั้นแหละแม้แต่จะประชุมก็ไม่เข้ามาร่วมประชุมจะมาทํางาน ผู้ซีบางครั้งก็ผ่านบางๆครั้งขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายผ่านตลอดนั่นคือจบแต่ถ้าเผลอว่าคุณไม่มาลุย นะสอบตกๆจนกระทั่งสอบได้มากขึ้นมาก มาฝึกฌานพุทธมาฝึกฌานด้วยมรรคองค์มา 7 ให้มันเป็นอะไรเรียกว่ามา ไม่ใช่ก็พุทธกําลังแสวงบุญนอกขอบเขตพุทธใช่สิก็บอกว่าอย่างนั้นเป็นบุญ สัมผัสจริงเกี่ยวข้องจริงแล้วก็ลดละกับกิเลสอย่างเห็นๆจริงๆมีญาณเกิดญาณเห็นกิเลสเป็นปัจจตังเวทิตัพโพวิยูหิสู้ได้ เอาตํารามาเปิดมันก็เปิดไม่ทันหรอกแต่เวลาปฏิบัติ แล้วคุณไม่ฝึกก็จะเกิดอัตโนมัติไปตามลําดับคุณไม่ฝึกคุณไม่ช่ําชองคุณไม่ เอาธรรมะคือไปนั่งอ่านนั่งอยู่กับตัวเองนั่งสงบอ่าอย่างงั้นน่ะเป็นทางเอกเอเสวะมัคโคนทันโยขณะนี้ก็ได้ปฏิบัติอยู่ขณะนี้ก็มีสัมมาสังคัปปะสัมมาวาจาพยายาม แล้วก็มี 3 มิจฉา 4 มิจฉา 3 มิจฉา 5 อะไรเนี่ยลดให้รู้จริงๆแล้วว่ามิจฉาต่างงานการงานทุก อาชีพยิ่งเก่งอาชีพที่ชํานาญนั้นอาชีพยิ่งคล่องคล่องไม่ คิดได้แววได้ไหวได้ปราดเปรี้ยวโอ้โหทั้งตอบ well, มีปฏิณิสสคะมีการย้อนแยงมีการสลัดกลับ อ่าไม่เก่งใช่มั้ยทําไมถามว่าว่าที่ เกี่ยวข้องออกไปเกี่ยวทําก็ดีขึ้นเจริญขึ้นยิ่งถอยยิ่งถอยไม่รู้สึกสมรรถ์บางรูปเอานี้ไม่เอา ได้ฟังที่อาตมาอธิบายไปมากแล้วเนี่ยมันเข้าใจอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวดีกว่าไม่เอาน่ะ แต่ไม่ใช่จุดสงบนะจุดลบมันจะไม่กระทบไปสัมผัสไม่เกี่ยวข้องเพราะแปลอสังสัคคะว่า ตกสวรรค์มั้ยขึ้นสวรรค์นี่ก็ตกสวรรค์สวรรค์โลกกีนี่ตกทุกตัวไม่มีสวรรค์ เกี่ยวข้องกับอะไรอะไรได้หมดแต่ใจเราไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องโดยจะพอไม่ อ่าตอนนี้เราต้องการขบวนการกลุ่มต้องการผู้ที่แข็งแรงแข็งแรงก็คือ ฉลาดคนต่างตีตัวเออคงมีคนไปแล้วล่ะโอ้โหอะไรมันก็จะเรียบร้อยของ อย่าไปทํานะไปทําไปแล้วมันมันจะจริงนะมันขายหน้านี่เป็น เราก็ต้องได้ฝึกปรือมันก็ต้องได้ทดลองได้ เข้าใจใหม่ให้ได้ถ้าเข้าใจผิดอะไรก็ไม่กล้าให้กลัวจะผิดลูกเดียวจริงในสิ่งที่มันหยาบใน ยกตัวอย่างง่ายๆว่ามาร้องมารําเนี่ยร้องรําได้ไม่ร้องรําได้ถ้าร้องนี่มากไปแล้วเนี่ย เดี๋ยวนี้น่ะโอ้โหเล่นกันได้อ่าเครื่องไม้เครื่องมือแต่ก่อน เอ่ออะไรต่างๆนานาก็ทํากันได้ทั้งนั้นเอ่อกลองเกลือมันตีกันจนจะแตกไปหมดแล้ว เป็นสภาพที่มันติดยึดมากจัดจ้านขนาดไหนคือขนาดไหนเรา ทุกอย่างก็จะเป็นเป็นการกระทําทุกอย่างต้องมีกรรมกิริยาอ่าอะไรที่มันพาซื่อไม่เข้าเรื่องอะไรพวกเนี้ยหยุดในสิ่งที่กําลัง หยาบกลางละเอียดรู้ทุกขนาดแล้วเราก็จนกระทั่งแม้แต่กิเลสละเอียดมันก็ไม่หรือ เราไม่ถนัดมันก็จะทํากับเขาไปได้ขนาดไหนก็มีการประมาณรู้อ่าเราถนัดเราจะทําเร ยิ่งไม่เอาก็ยิ่งรู้ว่า ผู้ข้าบอกข้าสงสารได้แล้วพูดถึงนิพพานแล้วจบอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นธรรมะของพระเจ้านี่พยายามอะไรที่เราจะ<ใช> เล่นกีฬามันมีกิเลสเรียนรู้เนี่ยนะมันจะเอาชนะข้าคานกันมันจริงทีนี้ ทีนี้ให้ร้องเพลงนะแต่เราร้องเพลงที่ได้เราไป ตั้งศีลด้วยว่าอย่าเพิ่งอันนี้เราเรา 2 ชามทุกทีติดเราบอกว่าแบ่งออกหรือไม่ก่อนลดมันพยายามลดให้ ไอศกรีมมาแม้สู้ไม่ได้มาทีละ 3 ถ้วยทุกที คนที่ทําให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้เกิดกิเลสโลภ มันไม่นิ่งหรอกมันไม่อยู่เฉยๆหรอกเดี๋ยวก็มีไอ้นั้นโจทย์อย่างน้อยที่สุดเค้าเข้า ที่บุคคลสปายะอาหารสปายะแล้วไปข้างนอกน่ะโอ้โหสารพัดไม่มีใครระวังใครหรอกมีแต่ใครจะปะหานคุณเอ้ยคุณเชิญน่ะอยู่ที่ อ่าพูดนี่ก็หมายความว่ามีคนไม่พอคนต้องรับ บอกใครมาช่วยหน่อยสิคนนั้นคนนี้บอกมาช่วยกันเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ มันมีความจําเป็นก็บอกกันให้รู้แล้วก็ควรสอดส่องกันบ้าง ก็ติดนั่นติดแม้แต่นักเรียนเองนี่ก็ตามก็สามารถที่จะแบ่งบอลงานครูได้บางสิ่งบางอย่าง สมัครง่ายบัญจุง่ายนะแล้วก็รับทํากันพอสมควรอย่าหวงงานอ่าไม่ต้องหวง ก็ดูแลเราอย่าจริงเกินไปจริงจังเกินไปจนกระทั่งอะไรผิดนิดจริงๆผิดผิด เพราะตัวเองเป็นคนอย่างจังจริงจังก็ดีแล้วจริงจังก็ต้องอนุโลมมั่งดิคนอื่นผิดมั่งได้มั่งดิผิดไม่ได้ <c oughs> เอาล่ะตอนนี้ก็พูดขึ้นมาดีแล้วล่ะก็บ้างไม่เช่นนั้นแล้วมันก็ยึดมันก็เอาแต่ดีเอาดีๆถ้าทําอย่างงั้นอาตมาทํางานจริงๆ 1 ก่อนนะตายแล้วป่านนี้อาจจะตายแล้วยังไม่ถึงวันนี้หรอกนะ 2 นะคนอื่นก็ไม่ต้องเป็นเพราะทุกอย่างมันก็จะต้องแบ่งกันก็ต้องค่อยๆไปอ้าวมัน ยอมมันมีไม่ได้เต็ม 100 มันก็ได้บกพร่องมันก็ได้ดีขนาด ค่อยยอมยอมมันมีไม่ได้เต็ม 100 มันก็ได้บกพร่องมันก็ได้ดีขนาดนี้ขนาดนี้ก็มองจุดที่คือเอา ครูมันจะไปเป็น กระจ่างขึ้นนะเข้าใจขึ้นนะเด็กทั้งผู้ใหญ่เด็กก็ช่วยกันไม่มีนะช่องว่างระหว่างวัยไม่มีแล้ว ไม่เกิดความประสานลูกกับปู่ย่าตายายไวยห่างกันมั้ยถ้าบอกว่ามันไม ขาดหมดเลยครอบครัวสัมพันธ์ขาดมนุษยสัมพันธ์ก็ขาดสังคมสัมพันธ์ก็ขาดหมดเลยสัมพันธ์หั่นแหลกหมดเลยเพราะคําว่า ช่องว่างระหว่างศีล 5 กับศีล 8 เอ่อช่องว่างระหว่างสมณะกับเอ่อโยมไม่ไม่มีช่องว่างมีแต่สัมพันธ์แต่รู้ฐานะรู้สัมมาคารวะน่ะมันมันมันต้องเข้าใจให้ดีรู้สัมมาคารวะรู้ ดีๆนะเอ่อในการพูดขึ้นมาวันนี้เนี่ยๆว่ามี อยู่ในชีวิตปกติสามัญอยู่ในนี้แล้วอยู่การเล่นการหัวการแม้เรื่องผู้หญิงผู้ชายเรามีการดูแลกัน ก็มาทํางานอะไรกันให้พรรคพรรคพร้อมอ่าเราจะได้ฝึกฌานอย่างพุทธเราได้มากขึ้นแล้วนะเข้าใจพุทธศาสนามากขึ้นแล้วก็ปฏิบัติมากขึ้นโดย มันเพี้ยนมันเสื่อมกันไปหมดแล้วจริงๆมันไม่เป็นพุทธแต่แค่ฌานนี่มันยังไม่ใช่ฌานเลยเห็นมั้ยล่ะ ยังมีดีกว่านี้อีกเยอะแยะใช่มั้ยได้มาดีเท่าโถกิ่งก้อยคนยังชื่น เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเครื่องชี้เป็นดัชนี นะเพราะงั้นก็ภาคเพียรพยายามที่จะปรับปรุงนะ ให้ให้อยู่ในนี้ให้มากกว่าข้างนอกหน่อยนะจะไม่เหมือนเอายกตัวอย่างง่ายๆจะไม่เหมือนกับท่านจันทร์นะคนละทิศนะท่านจันทร์กับอาตมานี่ทําตัวกันคนละทิศอาตมาจะทํางานกันให ก็มีบ้างโดยเฉพาะตัวอาตมาเองเนี่ยข้างนอกไม่พยายามที่จะดึงตัวไปข้างนอกนั้น 1 2 เค้าก็ไม่เอาอาตมาด้วยกันน่ะเพราะอาตมาทํามาก่อนอ่าอาตมานะก็พยายาม จะใช้พลังเยอะใช้พลังเยอะเพราะถ้าใช้พลังเยอะเนี่ยอาตมาก็จะอายุสั้นนะจะพลังออก ศึกษาดีๆดีๆตอนนี้ก็มาเกี่ยวข้องขึ้นเยอะเข้ามาสัมผัส น่ะหมดเวลาแล้วนะก็ก็เอางคุยก็สนุกคุย ถ้าไม่เกิดมาเพื่อที่จะ ชัดเจนทุกอย่างและเข้าใจดีทุกอย่างแล้วว่าเกิดเป็นเพราะคนอวิชชาอยู่ เกิดมาแล้วก็ถูกกิเลสเจ้าเรือนนั้นบงการไป กอเหตุให้เป็นสุขโลกีย์มันก็ได้สุขโลกีย์ชีวิตของ ไม่มีทางที่จะพ้นวัฏสงสารไปได้นะได้ นะหรือพยายามที่สั่งสมกุศลสั่งสมบุญเพื่อตน ก็ได้สุกโลกิเป็นส่วนใหญ่อ่าไม่ นะตั้งแต่รู้จักอัตตาแล้วก็จับตัวการนั้นเรียกว่าสกายะจัดการไปเรื่อยจนกระทั่งอัตตานั้นมันลดละจางคลายจนกระทั่งมัน คนพบจนละเอียดสุดยอดแน่ พระพุทธเจ้าก็ว่างจากพระพุทธเจ้าก็มีเป็นช่วงที่ว่างพบพระพุทธศาสนา ให้มีอยู่ในโลกเท่าสิมันจะเป็นไปได้แล้วก็มียุค ไม่มีศาสนาพุทธก็เพราะว่าศาสนาพุทธไม่พุทธนั้นเอ่อช่วงบ้างยาวบ้างแต่สั้นบ้างยาวบ้าง ที่สันบังมีศาสนาพุทธนี่มีนะเป็นช่วงๆช่วงที่มีศาสนาพุทธก็ ฐานะจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยอาตมาก็รู้ตัวแล้วก็รู้ความจริงอะไรอยู่ที่ แล้วก็ช่วยเหลือสัตว์ต่อต่อไปแต่ตนเองก็ได้รับ <c oughs> นะตําาก็ได้พบได้ภัยนั่นแหละมาเปิดเผยมาบอกกันคนเชื่อ รับฟังรับรู้ว่าเออโลกุตระก็ดีเหมือนก็สืบต่อเชื่อมโยงต่อ เป็นศาสนาพุทธต่อไปก็หมายความว่าเป็นผู้ที่มีพุทธธรรมเป็นพุทธบริสุทธิ์ อยู่ในวิญญาณอยู่ในจิตผู้นั้นก็ก็อย่างนั้นแหละก็ติด เข้ากระแสนี่ก็คือเด็กสามารถมีเชื้อเชื้อของพระพุทธเจ้า ก็เกิดพยบาทวิตกวิตกนี่แปลว่าดำริแปลว่ามันเริ่มเริ่มทาง นิคมธาตุมาๆจากนิคมธาตุเป็นเป็นปรรรคกรรมธาตุก็เป็นตัวกรรมและนะอารัมภธาตุอารภธาตุนิคมธาตุนี่ 3 ตัว ก็ยังไม่เป็นกรรมปรกรรมธาตุนี่เริ่มต้นถือว่าจะเป็นกรรมแล้วอย่างน้อยอย่างอ่อนปรกรรมธาตุถามธาตุทิฏฐธาตุก็โตขึ้นไปเรื่อย ความดําริเต็มรูปผลถึงอุปกัมมฐานในความดํารินั้นก็เต็ม นะมีหญิงสาววิตกนี่เบียดเบียนดําริไม่ในทาง ที่มันชนิดอ่าในด้านที่ๆอยู่รวมๆอยู่ในอ่ามีเอ่อวิหิงสาทั้งสิ้นประมาณถือเป็น พระรู้จักพยาบาทมาก่อนรู้จักวิหิงสาวิตกก็ต้องรู้จักกามรู้จักพยาบาทมูล กับโทสะมูลนะเป็นรากเค้าของ 2 2 ลักษณะใหญ่ๆก็ได้นะ อันอารมณ์ก็เองรู้อย่างที่อาตมาอธิบายไปดังกล่าวแล้วว่า ลีลาเป็นกามลีลาเป็นวิจัยวิจารณ์วิเคราะห์พิจารณาพิจารณาในอารมณ์ในจิตพอมันปรุงปั๊บ ถ้าไม่พอใจในสิ่งที่เราพอใจแต่ต้องการมันก็ทุกข์มันก็ เวลามันไม่เอาถ่านมันก็อยู่เฉยๆมันก็เฉยๆจะกระทบกระแทกจะ <c oughs> แต่ไม่ได้หมายความว่าเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาในลักษณะโลกีย์อย่างนี้มัน <c oughs> <c oughs> อารมณ์อย่างนี้ให้ออกแล้วเราก็รู้ตามไม่ได้สามารถดักรู้ก่อนที่มันจะสังขารก่อนที่มันจะปรุงเนี่ยมันมีกิเลสในจิตที่ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ฝังไว้ในใจเราเรียกว่าอุปทานเรียกว่ายึดติดฝังว่าเอออย่างงี้ดีถ้าได้โกรธอย่างงี้ก็ดีถ้า อุปทานก็คือมันฝังนิ่งอย่างนั้นแหละเราเรียกอุปทานมันเป็นลักษณะอะไรที่อุปทานยึดติดไปมันก็อยู่ในใจเราถ้ามันเกิดอาการขึ้นมาเมื่อไหร่มัน พอมันเกิดอาการมานเรียกว่า เรียกว่าภาคอ่าภาคอะไรภาคตามตั้งแต่ เพราะวิญญาณจึงเกิดนามรูปวิญญาณจึงเกิดนามรูปเนี่ยเพราะนามรูปจึงเกิดสารยตนะอะไรพวกนี้ไล่มาเพราะ ทีนี้ทางปฏิลโลมๆในชาติมันอยู่ในลักษณะไหน มันอยู่เป็นทุกข์หรือว่ายังเหลืออยู่เป็นลีลาอยู่เป็นโทมนัสอะไรก็แล้วแต่เราจงเราสามารถ จับเหตุที่มันให้เกิดทั้งปริเทวะเกิดอุปายาสอรยุแล้วพิจารณาให้รู้ทันมันปรุงขึ้นมาเป็นสุขเวทนาทุกข์เวทนาแล้วเนี่ยมัน มันจะมาก่อนจะมาก่อนมีเหตุพอมันเกิดเป็นตัณหาหูจมูกลิ้นกายหรือแม้แต่ปรุงเพราะฉะนั้นเราจะต้องเร็วจะต้องรู้จักตัณหาก่อน แต่เราก็รู้เหตุได้อ๋ออันนี้เป็นรสนะไม่ใช่กามแต่ จึงจะสามารถรู้เหตุของมันจับเหตุที่มันให้เกิดยังเกิดเป็นอุปทานเป็น ตามไปจนกระทั่งถึงอุปทานถึงตัณหาของเรามันจะมาก่อนมีเหตุพอมันเกิดเป็นตัณหาพอประสบทางตาหูจมูก ถึงแม้ว่าเราจะตามไม่ทันแต่เราก็อันนี้เป็นรสกามอันนี้เป็นกามรสอันนี้เป็น นั่นแหละตัวการเป็นต้นเหตุเป็นสมุทัยจะ เพราะนั้นตัวต้นๆเนี่ยถ้าเรารู้และจับตัวมัน ผู้ที่มีญาณปัญญารู้แจ้งเห็นจริงจับอาการตรงนี้ได้แค่รู้นะแค่รู้อาการอุปทานแค่รู้อาการตัณหาหรือกิเลสที่เรียกว่าอุปทานกิเลสที่เรียกว่าตัณหาก็ มันกําลังมีอาการจริงเลยอาการอุปทานมีมีลักษณะของมันยิ่งมัน มันมันโตมันเกิดแล้ว นะเป็นผู้ที่มีตาทิพย์และรู้จักความเกิดความดับมีจตุปปาตะญาณมีตามี นั่นล่ะคุณพลมิจฉาทิฏฐิผู้ผู้ที่ถึงว่าถึงขั้นพลมิจฉาทิฏฐิที่อาตมาพยายามอธิบายให้ฟังเห็นมันโดยความเป็น hmm. มันไม่มีความจางคลายมันยังแข็งมันแรงมันยังเอาชนะเราได้ อ่ายังไม่พ้นสกายทิฐิทีเดียวคือยังไม่พ้นตัวนี้ไปได้ ธรรมะของพระพุทธเจ้าในระดับแรกเป็นเนี่ย วิจิกิจฉาศิลปัตตปรามาสเนี่ยนะสังโยชน์ 3 เนี่ยคุณจะจับสัตกายะมันได้ตัวตนของมันได้แล้วก็วิมไม่วิจิกิจฉาในในทางทิฏฐิรู้เห็นรู้จักมีฌานติ น่ะตามตั้งศีลตั้งปลดมา 5 ศีล 8 เหตุปัจจัยที่มันทําให้กิเลสเกิดตามกําหนดที่เรานับอนุตศีลนั่นน่ะเรา ผลศิลปัตตะปรามาทด้วย ความรู้ความเห็นของเรารู้ความเห็นของเรามันสูงขึ้นแล้วมันสามารถพัฒนาตนได้ถูกต้องตัวเหตุลงเกิด ถ้าเราทําให้กิเลสลดลงเนี่ยเราก็เกิดเป็นเทวดาเป็นอุบัติตายลงไปได้มันก็เกิดมันก็เปิดไปเกิดเป็นสัตว์ กำหนาอุปทานหรือทําให้เชื้อเชื้อของการเกิดไปทางอบายไปทางนรกไปทางเสื่อมเชื้อที่มันเกิดไปทางเสื่อมนี้มันจาง <c oughs> เอาไปทําได้จริงนี่แหละเป็นเป็นตัว แม้กระทั่งมีเหตุมีปัจจัยอยู่เราจะกลับไปกลับมา ทำมากน่ะมีเอ่อเสวอเสวนาภาวนาพหุลิกรรมังมีการขอบคุณมีการ แล้วก็จะพบความจริงว่าเออเราสามารถทําให้มันเกิดมันตายรู้จัก คนที่เค้าชัดเจนกับไม่ชัดเจนอย่างเรานี่ชัดเจนก็จะรู้ว่าเออมันชัด นี่แปลว่าปรมัตถะปรมัตถธรรมหรือปรมัตถสัจจะปรมัตถะแปลว่าประโยชน์อันบรมม อันนี้ก็คือสัจธรรมที่แท้จริงเป็นทรัพย์อันวิเศษเป็นอริยทรัพย์ๆเพราะ กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมีอาชีพการงานกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจะเป็นกรรมมันตัตจนกระทั่ง ปฏิบัติให้กิเลสนี้ลดลงไปได้ด้วยเรื่อยๆๆแล้วเราจะพิสูจน์ แล้วมันจะมีอะไรที่สังคปะวาจากัมมันตะประกอบอาชีพการงานไปไม่ต้องสะสมลด บํารุงเออเราก็ยิ่งรู้รู้แจ้งๆจริงๆเลยตัวแก่ตนมากมายไม่ต้อง อรหิกะอัตมาโนมยอัตตาอรูปอัตตาก็จะเข้าใจเพิ่ม มันก็เป็นเรานั่นแหละเราได้เราเป็นนั่นแหละเรายิ่งพยายามบําเพ็ญมันนะ ถ้าเป็นคนที่ขัดเกลาตนเองสันเลขะทูตะทูตะสันเลขะมีศีลที่ละเอียดขึ้นเป็นอติศีลอติศีลอติศีลขัดเกลา นะเราขัดเรื่อยเรื่อยๆแล้วเราก็กลายเป็นคนที่ยิ่งเป็นสุพรสุโปสะอัปปิจฉสันตุฏฐิเนี่ยออกออกสละออก เอาออกได้ด้วยไม่สะสมอปัจจยะปาสาติกะและอปัจจยะแล้วเราก็จะเป็นคน อ่ายิ่งมีสมรรถนะสูงเราก็ยิ่งสร้างได้เยอะสร้างได้เยอะแล้วเราก็อาศัย ตัวเองก็ทําให้ตนเองเจริญขึ้นตัวเองนั่นแหละบํารุงตนเองหรือพัฒนาตนเองหรือทูตะขัดเกลาได้ละเอียดละออ ดียิ่งขึ้นเป็นอาการที่น่าเลื่อมใสเป็นอาการที่น่าเคารพเชิดชูเป็นกรรมกิริยาเป็นอาการที่ยิ่งน่าบูชายิ่งขึ้นถ้าเราก็ยิ่ง รถก็ยิ่งสละวัตถุได้อีกสละในรถได้ไปซับซ้อนมันจะ แล้วก็แบ่งมันก็จะเป็นความซับซ้อนที่เป็นอจินไตยที่ยากกรรมวิบากนี่อจินไตย 2000 องค์ 100,000 เอ้ย 512,000 28 องค์คิดดูซิอ่าพระพุทธเจ้าพบพระพุทธเจ้ามาแม้ไม่พบพระพุทธเจ้าอย่างเกิดมาบางยุคบาง ชาติไหนเจอมาพบพระพุทธเจ้าก็พบไปไม่ได้พบก็ แล้วก็พิสูจน์ความจริงกันนี้แหละพวกคุณฟังไปคุณก็ฟังไปแล้วก็ไปพิสูจน์สิเป็น การที่เราเองเรามาอยู่อย่างคนไม่เหมือนเออเรามาทําทางนี้เอ้อ กลัวจะไม่มีใช้, กลัวจะไม่มีกิน, กลัวจะไม่สะดวกกลัวจะลำบากใช้กลัวจะไม่มีคนช่วยจะไม่มีกินกลัวจะไม่สะดวกเอ่อกลัวจะ ที่ผู้นี่ไม่ได้ไปรีบบังคับให้พวก อ่าไม่กล้าขอหรือขอคนอื่นก็ก็ไม่ให้โอ้โตดซ้อนโตดซับเนี่ยอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่อ่าเราก็ตัวเองต้องรับเพื่อคนที่แหมทําเป็นฟังให้ฟังไปแล้วไฟแรงกันไว้คุณไฟไฟแรง มันคนเราก็เป็นประมาณตนเองถึงว่ามัฏตันยุตาการประมาณตนให้มัชฌิมาให้ ตามมรดกจะต้องตรัสไว้นั่น พอเราได้พยายามภิสุทธ์ธรรมะของพระพุทธเจ้ามาถึงวันนี้แล้วเนี่ยโดยเฉพาะเริ่มต้นเดือนงานมีสิ่งที่มาทําให้เรามีกรรมกิริยาที่จะต้องปฏิบัติกิจกรรมพิธีกรรมเราเองเราจะต้องสังวร ซึ่งเป็นงานการติดเกี่ยวข้องกับรณะแวดวง แล้วเราก็ภิสูจชีวิตที่ประกอบด้วยกัมมกิจกรรมพิธีกรรมแล้วก็เราก็ปรับพฤติกรรมของเรารู้พฤติกรรมของคนอื่นรู้ แล้วเราก็จะค่อยๆรู้ลึกซึ้งไอ้ญาณรู้นี่มัน ออกนอกลู่ออกนอกประเด็นไปเรื่อยเพราะมันเยอะแล้วค่อยวกกลับมาพกๆกลับมา เนี่ยมันจะเป็นกรรมกิริยาแม้เราไปทํางาน ยิ่งมารบริมีธาตุรู้เข้าไปตามรู้เข้าไปตามพืชใจ สามารถที่จะจัดแจงสามารถที่จะรู้แล้วก็จัด มันก็สั่งสมลงเป็นสมจริงๆตัวปฏิบัติ 7 องค์แล้วก็ไปปฏิบัติให้เกิดสมาธิทิฏฐิปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผล องค์ของมรรคทั้ง พิจารณาและปรับปรุงไปเรื่อยนะจัดการ นะอะไรที่มันเป็นพฤติกรรมอกุศลไม่ว่าจะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหรือแม้แต่อาชีพอาชีวะที่เราทําอยู่มัน คนสมมประธาน 4 ก็ทํางานซ้อนอยู่นั่นแหละโดยมีอิทธิบาทคุณยิ่ง ให้ลงเหนื่อยแสนเหนื่อยก็ลงแต่ของเราเนี่ยให้เหนื่อยเท่าเล่นกีฬาเนี่ยไม่ไม่ทําต่อหรอกไปทําต่อมันมันพวกเราจะไม่ทางธรรมะเนี่ยจะไม่ยอมเหนื่อยถึงขนาดนั้นเพราะงั้น ระมัดระวังแต่อันนี้น้อยคนที่แม้เหนื่อยขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่หยุดเพราะงั้นในบุคคลที่สามารถที่จะควบคุมที่สามารถจัด เกี่ยวข้องกับคนอื่นเกี่ยว